ไม่มีสักกี่คนที่แ ย, แยกแยกออกแต่แรกว่าความเหงาไม่ใช่อารมณ์รักท้องหิวข้าวไส้กิวไส้แห้งจิตวิ ญ, ญญาณหิวความรักใจแห้งใจเหือดอารมณ์เหงาสะท้อนความหิวโหวยของจิตวิญญาณยิ่งเหงามากเท่าไรแปลว่ายิ่งหิวมากเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ไม่มีสักกี่คนที่แยกแยกออกแต่แรกว่าความเหงาไม่ใช่อารมณ์รักตรงข้ามออกจะเป็นปฏิปักษ์กับอารมณ์รักเสียด้วยซ้ำรักแท้อยากหยิบยื่นให้ด้วยใจสบายอยากพายแพ้ความอบอุ่นไปทั่วส่วนเหงาแท้ๆอยากเรียกร้องเอาด้วยอาการทุรนทุรายอยากหายหนาวเพราะใครสักคน โลกนี้เต็มไปด้วยคนเหงาที่โหยหารักโอกาสเจอคนเหงาด้วยกันจึงง่ายอยู่ด้วยกันแล้วต่างฝ่ายต่างเรียกร้องโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใจจะให้ต่างฝ่ายจึงต่างเป็นทุกข์ไปชั่วนาตาปีหรืออีกทีคือโชคดีเจอคนรักเป็นให้เป็นแต่ก็เรียกร้องรีดไถ่ความสุขเอาจากเขา กระทั่งความสุขในตัวเขาหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอยากนักที่ต่างฝ่ายต่างรักเป็นให้เป็นได้มาครองคู่อยู่กันอย่างเป็นสุขคงเป็นการดีถ้าฝึกให้ความรักแต่เนื่นแค่มีน้ำใจรู้จักช่วยให้ใครต่อใครหายเหงาปลอบคนเป็นเห็นใจคนง่ายกระทั่งรู้จักความสุขแบบคิดดีเอง ยิ้มสวยๆได้เองและเมื่อเกิดสุขแบบนั้นความรักก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเหนื่อยพลิกแผ่นดินค้นหาความรักเหมือนใครเขา